เรื่องวิกิตกาลทางวัฒนธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยงขอน้อมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคยาวผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายม่ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว ความหนวยพรสริสวัตรพิปัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพราสดุทุตุประการจึงบางเกินมีด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในวันพระวันนี้ มาถึงเอกวันหนึ่งซึ่งอาตมาก็มีความรู้สึกว่าภาคนี้เราจะต้องพูดกันเอกในเรื่องวิกฤตการทางวัฒนธรรมทาธธรรม่านผู้ที่สนใจใฝ่ในธรรมก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนี้ เอาไปคิดเอาไปพินิพิจารณาว่ามันจะเป็นจริงตามนี้ใกล้เคียงกันไหมมีเหตุมีผลเพียงพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่พูดในฐานะพระทรงองค์เก้าที่มองโลกในยุคปัจจุบันหรือท่านรับฟังไว้เป็นเครื่องเดินจิตสกิดใจพินิจพิจารณายังไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ได้ ตอนนี้ต้องการจะพูดเรื่องวิปิตรการทางวัฒนธรรมเพิ่มอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งก่อนนั้นเราได้พูดกันมาแล้วก็พูดกันทั่วๆไปแต่วันนี้อยากจะเจาะลงมาทางศาสนาให้มากขึ้นอีกหน่อยท่านดัง้ลยลองฟังดูโดยไม่ต้องเชื่อก็ได้โดยที่ภาษิตโบราณอีสานบ้านเฮาว่าของบระเป็นตาหยัมจะสุดจมล่องตัก พอเธอกินลงไปสือแสบพุ่งพวนท่องของปะเป็นตาหย่ำให้ซ่อมรูดมเปิงขนหนักเป็นโทษแล้วว่างไวยาสุ ก, กินล้านเอ้ยขออภัยก็ต้องใช้สำนวนเสีงในฟิล์มปู่้อนล้านอีสานบ้านเฮาบ่เป็นล้านสอนปู่เด้อทั้งหมดนี้จะต้องพูดในเรื่องเก่าซ้ำอีกเป็นภาคสองให้ให้ละเอียดลงไปน้อย ก็จะพูดในเรื่องเก่าที่เรียกว่าวิกิตการทางวัฒนธรรมเป็นสับแสงที่ไพเราะงดงามทางภาษาคำพูดมวลทั้งควมเว่ตรงกับภาษาฝรั่งว่าคันจรันคลายซีซึ่งก็แปลว่าวิกฤจตการทางวัฒนธรรมโลกปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในขั้นชุกเชินหล่อแหลมต่อมหันตะัยซึ่งมีอยู่รอบๆด้าน สนาต่างๆประดังประเดกันเข้ามาธรรมชาติผันพนแปลปวนน้ำเน่าอากาศเสียแผ่นดินไหวพายุร้ายน้ำท่วมไฟไหม้แก๊สระเบิดเกิดมหันตภัยความกดดันอย่างยิ่งใหญ่ก็มีขึ้นบางคนก็เกิดความกดดันอย่างไม่มีใครฆ่าก็ฆ่าตัวเองตายด้วยวิธีการต่างๆ <c oughs> มนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐเกิดเป็นสัตว์ประาทจนเห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายในสายตาของกันและกันไม่สามารถจะไว้วางใจซึ่งกันและกันได้โดยเสน่หใจกำลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องเข้าทุกทีรู้แต่ภาษากันแต่ไม่รู้เรื่องกันพูดกับงวงกับควายที่ไม่รู้ภาษาก็ยังรู้เรื่องกันได้บอกให้หยุดมันก็หยุดบอกให้อยู่มันก็อยู่ แต่มนุษย์กับพูดการไม่รู้เรื่องพ่อแม่พูดกับลูกไม่รู้เรื่องผัวกับเมียผูก้การไม่รู้เรื่องรัฐบาลทั้งโลกยังหาภาษาอะไรมาพูดกับปัญนาที่บริสัสต์ดำหุ้นเซนแห่งอิหรักให้รู้เรื่องไม่ได้เลยจําเป็นก็เลยค้อนอาวุธนั้ น, นเป็นคําพูดไปโคไปจอคอห้อยกันไว้ เลียว่าพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องการก็เลยเอาอาวุธไปเป็นภาษาพูดกันด้วยปืนด้วยกีปันนามุษยชนิดที่เรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าซาตานวอร์ีเนวอร์ีซาตานวอร์ีปีศาจพูดกันด้วยวลีของมนุษย์ไม่รู้เรื่องก็เลยพูดกันด้วยวลีปีศาจด้วยอาวุธ ทั้งหมดนั่นนะเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่เหล่านี้คือวิจิตตการทางวัฒนธรรมไม่ว่ามุมโลกไหนก็ตามใจเธอะมันกำลังเห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายก็จะเพิ่งตกอกตกใจให้แหละจงมองดูสถานการณ์เหล่านี้ด้วยความเป็นล้องธรรมดาธรรมดาและธรรมดาด้วยการมีสติปัญญาบอต้องสถานญานกลัวอีกอย่งดอก ตถาทตาอย่างนั่นเองอวิตฐาตาไม่ผิดไปจากนั้นอนัญญาตามันไม่เป็นไปอย่างอื่นอิทัพปญญาตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะศาสนาหรือตัววัฒนธรรมเสื่อมถอยอ่อนแรงลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาใจต่ำจิตสามกันอย่างนี้ เพระาศะศาสนบุคลนักบวชในาศาสนาแต่ละาศาสนานั้นๆไม่มีคุณภาพแม่เรียนจริงปฏิบัติจริงตามคำสอนของพระาศาสดาเป็นปัจจัยให้คนทั่วทั่วไปไม่มีตัวอย่างทางที่ดีที่งามความเสื่อมสรามทางจิตใจอันเป็นภาพรวมแห่งวัฒนธรรมจึงเกิดมาโดยประการอย่างนี้ เพราะเหตุ น, นั้นจึงต้องมาพูดมาบอกกันต่อๆไปว่าไม่ต้องกลัวแต่ต้องช่วยกันลงมือแก้ไขปองกันอย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่าพูดกลบปัญหาบรนโนเพลาะเบ้มใะ่ร <c oughs> ไม่มีปัญหาจะกกหกทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเพราะไม่รู้ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่างเรียกว่าอาริยสัจขอประธานอภัย <c oughs> อริยสัตตีปการคือปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาการแก้ปัญหาได้และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องซึ่งพูดเป็นภารระะษภาธรรมะวัทโขคสมุไทยนี่โลดมากใครเป็นภาษาสมัยใหม่เข้าใจว่าปัญหาและเหตุให้เกิดปัญหาการแก้ปัญหาได้และก็เทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องถ้าอย่างนี้จึงพูดได้ว่าไม่มีปัญหา ภาษาพระท่านกล่าวว่าคนที่พูดว่าไม่มีปัญหาทั้งๆที่ตนเองมีปัญหาแทบจะว่าอัญญานุเปขาคือวางเฉยโดยไม่รู้ปัญหาไม่รู้เรื่องถ้าเราเขาเ้าใจว่าปัญหามีเราก็ต้องมองหาเหตุแห่งปัญหาคือสมุทัยและก็แก้ไขโดยไม่ต้องสร้างเหตุให้มันเกิดทุกข์เกิดร้อนอะไรขึ้นมาหมเมื่อเราไม่สร้างเหตุนั้นๆขึ้นมามันก่อ ไม่มีปัญหาหมดปัญหาที่โรคก็ปรากฏขึ้นเมื่อปัญหานั้นดับไปความมั่นใจในวิธีทางที่ได้ทํามาแล้วอย่างถูกต้องก็เกิดขึ้นคือตัวมากเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วมันก็รู้ว่าที่เราทําแก้ได้นั้นมันมั่นใจเห็นปัญหาไม่อีกก็จะแก้อย่างนี้พอเห็นนั้นมัก คัพวิธีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาดับทุกข์ดับร้อนปัปปุตตเจ้าจึงวางไว้ข้างหลังคือให้มันเกิดความมั่นใจที่หลังมันถูกต้องแล้วยี่ น, นี้มันเกิดวิจิตการทางวัฒนธรรมนี่มันเป็นกันท่วนโลกใจต่ำจิตซามในประเทศฝรั่งที่จะเลิญสุดเขตทางวัตถุยิ่งจะเล่นทางวัตถุก็ยิ่งโตกต่ำทางจิตใจแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บในโรคที่จะเล่นทางวัตถุ กับประเทศที่ร้าหลังมันก็ต่างกันโครคภัยไข้เจ็บในหมู่ประเทศที่จเจริญเป็นอีกอย่างหนึง่งในหมู่ประเทศที่ทุกยากลำบากยากจนก็เป็นโรคอีกแบบมันต่างกันคนที่จเจริญทางวัตถุจิตใจอ่อนแอต่ำทรามฆ่าตัวตายง่าย <c oughs> หลายลองคิดดูโรคที่จเจริญทางวัตถุนั้นทำให้คน ในต่ำจิตซ้ำค่ะ ต, ตายง่ายเป็นโรคหัวใจโรคภาษาโรคเอกมากขึ้นโรคเครียดโรคเพราะความโลภโลภจนตายเรียกว่าตายกระทันหันที่ภาษาฝรั่งก็เรียกว่าปอกูริบายอ่าภาษาญี่ปุ่นว่าโคราซิภาษาไทยว่าไหลตายภาษาอีสานบ้านเฮาว่าไหลตายประเทศที่เจริญมากๆน่ะยิ่งไหลาตายเก่ง <c oughs> เดียวก็จะกเ่เกี่ยในประเทศไทยนะเพราะว่าสมองมันทำงานหนักถูกแรงขับของตัณหาความแผลเผลาของกิเลสชีวิตมีอาการที่เรียกว่าวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเต้นอยู่ตลอดเวลากายนอนใจมันไม่ยอมนอนมันวิ่งหลับไปมันก็ยังฝันกล่นยู่อย่างนั้นในวิ่งเต้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นอยู่ตลอดเวลา กายเย็นช้ำอยู่ในห้องแอร์ใจร่าร้อนเมือ น, นอนกอดกองไฟเรียกวัานนรกยุคไฮเทคนรกติดแอร์ไลฟ์ตายในห้องแอร์โลกไลฟ์ตายได้เกิดขึ้นมากในประเทศที่จเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีจากอเมริกามาญี่ปุ่นคือผ่านมาสู่ประเทศไทยเมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนิกนิกนนิ ก, นกที่เรียกว่านิกที่น้องบ้านนอกของเรายังไม่เคยรู้คำว่านิกเขาพูดรวมกัน ย่อมาจากภาษาฝลัง่งเศส N I C อ่านกล้ามันเป็นนิกย่อมาจากคาว่า newly i n d u s t r y country newly i n d u s t r y country ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ว่าอย่างนั้นเป็นประเทศที่จะเรินทางวัตถุใหม่ประเทศไทยเมื่อคือบค้านเข้ามาสู่ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นนิคโลกไหล ต, ตายก็มาเยือนมากขึ้น ประเทศที่จเจริญมากทางวัตถุจิตใจจะเปลาะบางค่าตัวตายมากเพราะวิภวะตันห า, าภาษาพหุนะครับวิภวะตันหาความไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ดังโอ้ดังใจมืันขัดใจหน่อยเดียวใจเปราะบางไม่เคยใดอดได้ทนมากสอนเมื่อไม่พอใจมันไม่ถึงอ ก, กถึงใจในสิ่งที่มีและอาการเสพเะเวรอยา ก, กินน้อยๆอร่อยมากมอิ่มนานๆ กามารวมยาเสพติดเหล่าเนี้ยซึ่งก็ไม่เคยทําให้ใครอิ่มเลยพระพุทธเ จ, จ้าว่าภิกษุทั้งหลายความอิ่มสามอย่างนี้ย่อมไม่ ม, ม, ม, นน ม, ม, มีความอิ่มด้วยการหลับนอนความอิ่มด้วยการเสพกามความอิ่มด้วยการดื่มเครื่องดองของเมายาเสพติดก่อนลท้ายทุกวันเนี่ยมันมั น, ม, นมันก็มีสามอย่างนี้เสพเสวยความสุขทางการมารวมฟรีเซกฟรีสไตล์ลูกเขาเมียใครลกูกสาวผู้ชายใครมฝรัง่งบางคับมัน มันฟีหลังจากนั้นก็นอนเหนื่อยใช้เงินมากห ล, ลังจากนั้นก็ไปหากินอร่อยกินน้อยอร่อยมากๆอิ่มนานๆก็คือยาเสพติดรวมแล้วการมาลมยาเสพติดมาความสกุกทางเนื้อห น, นังเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งสามอย่างนี้ย่อมไม่มีอิ่มแลความอิ่มในสิ่งทั้งสามอย่างนี้ย่อมไม่มีแลยหมายถึงคนจอมโลกที่สุด จมอยู่ในการมารมจมอยู่ในยาเสพติดจมอยู่ในความสนุกสนานทางเนื้อหนังนี่มันไม่เคยทําให้ใครอิ่มเลยลงท้ายก็เลยด้วยการฆ่าตัวตายมันกินไม่อิ่มกินไม่ไม่ไม่ซาสมใจประเทศที่กําลังเจริญกําลังดิ้นสู่ความเจริญทางวัตถุก็เกิดอาการแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งขู่กันพลิกสวาสดเฉยชมแย่งอํานาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อโอการแห่งการมารมนี่เอง ประเทศเหล่านี้ฆ่าตัวตายน้อยแต่ฆ่ากันตายมากประเทศที่จเจริญมากทางวัตถุ ก, กับฆ่าตัวตายมากประเทศที่กําลังจเจริญทางวัตถุ ก, กําลังเป็นนีก่กาลังแย่งกันจเจริญร่ํารวยทางกมามืลกกับฆ่ากันตายมากส่วนประเทศที่ยากจนขาดแคลนไม่ค่อยฆ่าตัวตายและก็ไม่ค่อยฆ่ากันตายแต่อดโซเป็นโรคทางกายตาย เช่นโรคขาดอาหารโรคทางกายอื่นๆต่างๆรวความแล้วพวกร่ารวยมากมีเลื้ออยู่เลือกินแต่กินไม่อร่อยเสบสุกเสเวยพ้นไม่สะใจฆ่าตัวตายใจเปราะบางเพราะวิพวะตัญหาส่วนพวกที่มีพอกินได้บ้างไม่ได้มากไม่จนตายแต่ก็ไม่ใช่ร่ารวยกําลังพอปานกลางอย่างประเทศไทยฆ่ากันตายพเพราะแย่งกันกิ น, กน ขั้แรกมีกินกินไม่อร่อยไม่สะใจฆ่าตัวตายพั้ที่สมีกินแต่มีไม่มากก็ล้นเหลือเลยแย่งกันกินกันเลยฆ่ากันตายเองหนักๆเข้าก็ไหลตายเอาเองพวกนี้ตายเพราะกรรมมัทธิ์หาเพราะพระวันะขั้วล้าหลังอยากกินไม่มีกินเลยอดโซเป็นโรคทางกายตายตายเพราะความอยากกินไม่มีกินเพราะกรรมมัทธิ์หา โลกก็เป็นอย่างนี้มันวิภาวะตันหาฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายพวกมากไปด้วยภาวะตันหาแข่งกันได้แข่งกันมีแข่งกันเป็นมากๆก็ฆ่ากันตายพวกที่ไม่มีอยู่ไม่มีกินทุกอยากลําบากประเภทสามไม่ได้ดังใจปานะ่าธนาฮะอยู่ฮเกินไม่ได้ก็เลยเป็นโลกเป็นโรคตายทางกายพวกนี้ตายเพราะกามมาตัหาความไข่า ย, ยาก แต่มันไม่มีให้กินโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ขาดทำขาดศาปน้าก็ต้องเป็นอย่างจะเป็นอื่นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามอบความไว้วางใจมอบความเป็นใจเป็นพระเอกกับเทคโนโลยีให้เทคโนโลยีเป็นพระเอกในการแก้ปัญหาโดยคิดว่าวัตถุเท่านั้นจะแก้ไขได้เมื่อมีอยู่มีกินแล้วปัญหามันก็หมดไปในที่สุดก็เลยอุดตันไปไหนไม่รอด ต้องยอมจำนนหันมหาศาตนาจะไปไหนเสียเราจะกล้าวหน้าไปสู่ความฆ่าตัวตายเราจะก้าวหน้าไปสู่การฆ่าตัวตายหรือจะล้าหลังย้อนไปสู่การขาดแขนตายหรือจะย่ำตอกอยู่กับที่เพื่อฆ่ากันตายเผา ต, ตัวตายโดดตึกตายอย่างนี้หรือเราจะไม่เอามันทั้งนั้น เราไม่เอาทั้งล้าหน้าไม่เอาทั้งล้าหลังจะดีไหมละ่ะถ้าเราจะเอา <c oughs> ไม่เอาทั้งล้าหน้าไม่ล้าหลังเราก็มาทันสมัยแล้วก็ไม่ล้าหน้าเราก็มาพัฒนาเพื่อจะไม่ล้าหลังคือถ้ามัวจะทันสมัยมันก็ล้ำหน้าถ้าไม่พัฒนามันก็ล้าหลัง เอามันต้องสองฝ่ายมารวมกันทั้งทันสมัยด้วยเทคโนโล ย, พ ย, ย, ย, ย, ย, โลยีพัฒนาด้วยจิตใจอันประกอบไปด้วยธรรมเอามารวมกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าทันสมัยด้วยเทคโนโลยีพัฒนาด้วยจิตใจอันประกอบไปด้วยธรรมไม่ใช่มัวแต่ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาเอามันทั้งสองอันไม่ล้ำหน้าไม่หลาหลังอย่างนี้ขาท่านองที่คนโบราณของเราอีสานบ้านเฮาพูดว่า มีเกียนกันว่ามีหัวพรอมสเอายางเดมาแกมีตะเกียนกันว่ามีไม่คำหัวจิงําใส่สีดินมีเหงื่อกันว่ามีผ้าย่วงสเป็นห้างพักบัวมีหัวผมบอบผอมเขาเสิ่อเดินเฮามีท้องกันว่ามีถ้ำฝ่อใส่จานหนีมือหอยเถือมีขํามกันว่ามีอินอ้อยอ้อยไหวใส่บ่อฟั่ง ต้องขออภัยอีกครั้งที่ใช้ภาษาท้องถิน่นความหมายบ่งบอกถึงการพัฒนาการแบบครบวงจรทางภายนอกคือวัตถุทั้งภายในคือตัวจิตใจให้สอบประสานกลมเกินกันมีจนนั้นมันจะเกิดปัญหามันจะเกิดขึ้นอย่างทุกวันเขาทำนองฝรั่งเขาดูโูกเราที่เรียนแบบเขาตามก้นเขาบูชาเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตาพวกฝลังก็บอกว่า modernization i h out o e l o ม ทันสมัยนี้แต่ไม่พัฒนาเห็นไหมล่ะมัวแต่จะล้าหน้าทั้งไม่พัฒนาก็เลยล้าหลังล้าหลังเป็นอย่างนั้นฝลั่งด่าให้ช่างหัวมันนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณเตือนใจให้เตนี่เจ้าปันทุนคาเอ้ยลั่งเถิดสเสด็จหูไพ่สร้อยได้หำหอนเขาเตือนส ต, ติให้ดีเกือบตายเลยเห็นไหมล่ะ พระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตัดไว้คำหนึง่งน่าคิดน่าฟังมากท่านบอกว่ายโยอิทัมชังปวิเจยะคันหติสเสวนโรเศธมุเปติฐานางังแปลว่านรชนใดรู้จักเลือกถือเอาส่วนที่เป็นกลางไว้ได้นรชนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐโดยแท้ เรามาอยู่กลางๆระหว่างวัตถุและจิตใจพัฒนาควบคู่กันไปจะเป็นเหตุให้สังคมบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสขด้วยวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาเหมือนสมัยโบราณนักการเสดรจ ม, มาเราอยู่กันมาดีๆแต่เสร็จแล้วเราทิ้งความสำคัญของพุทธศาสนา รเราไปบูชาฝรั่งมาจัดระบบการศึกษาเศรษฐกิจ ส, สังคมการเมืองบริหารตุลาการนิติบัญญัติอะไรต่างๆมอดตามแบบฝรั่งไปหมดเลยนี่คือก็เกิดอาการมีเกวียนไม่มีงัวมีท้องไม่มีทมเข้าทํานองว่าป้าหน้าเฟื่องไหวนีไปดำหน้าซาวป้าเหล่าเขาไหวนีไปสนป้าก่อย คนทางก่วงต่อกก่วงสั่งมาเที่ยวั่งแต่ของเดนอมกประแดดัด่งโจโกโกสั่งมาจําตัางแต่ตองนี่คนโบราณกันเรานะท่านผู้ใหอย่างนี้ยังเตือนจิต จ, จิตใจอยู่หน้าคิดหน้าฟางังผู้เท่าก็ยังเสียดายของเก่าคนสมัยใหม่ไม่สนใจใหญ่ดีก็เลยเกิดการขัดแย้งกันเองคนหนุ่มคนสมัยใหม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีที่งามที่คิดหว่า ด, ดี แต่ผู้เท่าก็ดีพระเถระครูบาอาจารย์ชั้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีท่นก็จะเอาแบบเก่าที่เห็นว่ามันยังดีมีคุณมีค่ามากอยู่ต่างฝ่ายก็หวังดีด้วยกันทั้งนั้นเราหน่าจะต้องมาพิจารณาทบทวนกันใหม่ให้ละเอียดด้วยสติปัญญามีเหตุมีผลมีข้อยุติที่สอดคล้อง ทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งวัตถุและจิตใจให้มันพอดีตรงตลางเราจะได้ตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐที่ว่าเถตมุเตติธานังตั้งในฐานะอันประเสริฐเดี๋ยวนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่พระเทระก็จะเอ้าแต่รูของตนเองบาดเจ็บหกคนหนุ่มก็จะล้ำหนะ้าคนเก่าก็จะล้าหลังหน่าจะต้องมาเอาให้บรรถูกต้องตรงกลางๆลงสอดประสานกัน อันใหม่มันผิดกม็มีอันเก่ามันไม่ถกกม็มีเราทั้งหลายต้องมาพิจารณาดูให้ดีๆแต่สภาพตัววันนี้วัฒนธ ร, รรมอย่างวัตถุทางเนื้อหนังทางฝรั่งเข้ามาทับลงบนวัฒนธรรมของผู้ศาสนาอย่างคมคืนกันเลยชนิดที่เรียกว่า Supreme p o s e s s i o n s of an Alien c u n t e r on the X-1 แปล ว, ว่าเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาสวมทับลงบนวัฒนธรรมของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและผลเสียหายเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาก็ต้องมารับผลร่วมกันทุกๆคนน้ำท่วมที่ปักใต้แห่งแล้งที่อีสานปักใต้ใจต่าอีสานจิตตามยังไงก็ตามมันก็ต้องมารับกรรมความผอมคืนด้วยกันทั้งประเทศต้องมาแก้ไขด้วยกันทั้งประเทศอยู่อย่างนี้เพราะเราอยู่บ้านเดียวเมืองเดียวกันสายเลือดอันเดียวกัน ทางบ้านทางเมืองจะยกหน้าที่พัฒนาจิตใจให้แก่ทางพระศาสนาอย่างเดียวไม่ถูกทางวัดทางศาสนาจะยกให้ทางบ้านเมืองทางรัฐบาลก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันต้องช่วยกันทางวัดอบรมพัฒนาทางจิตใจภายในออกไปทางรัฐบาลอบรมแก้ไขพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมความเป็นอยู่ทางสังคมภายนอกเข้ามาหากันแล้วก็มาพบกันตรงตาง ระหว่างภายนอกคือวัตถุที่พอดีและภายในคือจิตใจที่ดีงามด้วยธรรมะเราก็จะแก้วิกฤตการณ์นี้ได้แต่ที่เรายังไม่ประสานเกี่ยวกันทางวัดทางพระทางครูบาอาจารย์บางท่านอุทิศตนทำงานอบรมเผยแพ่เอาจริงเอาจังจนเกือบไม่มีเวลาพักผ่อน ทุ่มเททุกอย่างเช่นอุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองโนนลงปุกเราสติปัญญาให้เลิกอบายามุไกายเล่นการพานันสิงมัวเมายั่วยอมจิตใจให้ไหลหลงการฟุ่มเฟวยอะไรต่างๆอย่างในขณะเดียวกันทางรัฐบาลเพิ่มจำนวนรถตะลี่ออกชลาเพิ่มขยายลงเล่าขึ้นขยายกิจการด่านบันเทิงยั่วยอมมเมาขึ้น จะไปตั้งบอนคาสิโนโกันขึ้นอย่างนีม่มทุกรูปทุกแบบเพื่อวัตถุมันก็เลยเกิดอาการคอรับชันกันกลายเป็นเรื่องธรรมดาการทํางานของพระผู้มีอุดมการ์ก็ต้องไปสูญเสียพลังงานเหมือนแก๊ส ร, รั่วที่เมืองโบปานประเทศอินเดียรั่วเฉยๆก็ยังดีนะดีกว่าระเบิดเลยความดีระเบิดความชั่วระบาดขาดความสมดุลเดี๋ยวเนี้ยเลยเกิดอุปทวะเหตุคือการขัดแย้งอุปทวะภาษาบาลีแปลว่าขัดแย้ง อุปท h a เหตุทางวัฒนธรรมครับแย่งทางวัฒนธรรมทางบ้านเมืองก็จะมุ่งไปที่ทางวัตถุทางพระสง์องค์เจา้าทางศาสนาบางขัน้นก็มุ่งไปทางด้านจิตใจมันก็เกิดอุปท h a เหตุภาษาอีสานโบราณมาเกิดอุบาทอุบาติหายอุบาทอุปท h a เหตุอุบัิเดนุอุัดแย้งอันเดียวกันมันก็เลยเกิดอาการชอ็อกทางวัฒนธรรมกันขึ้น มันถึงค่าวแล้วเหตุปัจจัยมันพร้อมเพียงครบถ้วนมันก็ต้องอย่างนี้เป็นธรรมดาทางการเมืองก็เหมือนกันดีระเบิดชั่วระบาดขาดความพอดีระเบิดจนเผาตัวตายเพื่อประท้วงฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายศาสนาก็ดีซะจนเมาชั่วซะจนฉินเคร่งซะจนค้างส่วนอีฝ่ายหนึ่งก็ยอนซะจนญาณโต่งเองฝ่ายค้างดีก็แข่งจนเกินกว่าพระพุทธเจ้าจนอยู่ร่วมกับใครไม่ได้นอกจากพวกของตัวเอง ส่วนฝ่ายย่อนจนยางก็เอ้าวทุกอย่างบวชก็บวชเมียก็มีลูกก็ได้ทั้งทั้งที่หอมครองผ้าเลืองวางมาดศาสะดา ต, ะ ต, ะ ต, ะตะักรรมตรเวนเนสรินเนสมเสน่เสริมมงคลทัวสวรรค์ทัวนิพพานเก่งกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตมีเงินฝากธนาคารเป็นสิบเป็นร้อยล้านตีดไม่ติดดินวิกิจกาลเหล่านี้ดูให้ดีๆแล้วไม่ใครหน้าที่ใครจะมาแก้ไขหากจะเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายนี่แหละทุกทุกคนที่จะต้อง มารวมกันมาช่วยกันแก้ไขทั้งฝ่ายวัดวาอารามทั้งฝ่ายชาวบ้านและฝ่ายพระสองฆ์อกเจ้าเราจะรอให้ใครมาคอยกันรอให้ใครมาช่วยเลือกกันมันต้องเป็นพวกเราเนี่ยทุกคนจะต้องมาช่วยกันแก้ไขทั้งนักบวชทั้งชาวบ้านผู้เป็นกระยาณชนความเสื่อมของศาสนาของวัฒนธรรมนั้น มันเกิดจากพระเจ้าพระสงฆ์ของเรานี่แหละถ้าจะว่าไป แ, แล้วเป็นผู้ทําให้เสื่อมสเสียพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดถึงสัทธ ร, รมมะสัมโมส ส, โสุตไอ้ว่าสัทธ ร, รมสัมโมสัธรธ์เหตุให้ศาสนาเสืรร่อมเหตุให้พระสัทธัมอันตรทานไอ้ว่าให้ศาสนาของเราเสื่อมวัฒนธรรมแปลปวนเกิดวิจตการขึ้นมาเนี่ยท่านเอาไว้ในสัทธ ร, รมอวักปัญจันนิบาตปันนาทีสี่แห่งอังคุตานีกายพระไตรปิฎกสยามรับ เล่มที่22ข้อที่151หน้า151หน้า195เป็นต้นตายทั้งหมดนั้นพระภิกษุเป็นผู้ทำให้เสื่อมให้อันตรทานไม่ใช่ชาวบ้านโดยเฉพาะพระเทระาผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าเจ้าล่วงทาให้เสียหายผู้น้อยก็เลยเอาอย่างตามหลังเลยเลอะเทอะขาดตัวอย่างที่ดีทีงามเรียกว่าพ่อฆ่าลูกทางอ้อมฆ่าให้ตายจากพระธรรม พอตายแล้วโลกตายนำบาซีสัมกัตายเสียงพํากันคือกันทั้งหมดนีมีอยู่สามโซติดติดกันไม่ขอนำมาเล่าเวลาคงไม่พอขอนำข้อสุดท้ายมาเล่าเป็นอุทาหรณ์พระพุทธองค์กล่าวว่าเมื่อสงแตกกันแล้วต่างก็ยอมเพ่งโทษกันด่ากันแฉ่งกันทอดทิ้งกันและกันในเหตุการณ์เช่นนั้น คนผู้ไม่เลือ่อมใสย่อมไม่เลือกใสและคนบางพวกที่กําลังเลื่อมใสแล้วก็ย่อมเพินห่างนี้เป็นเหตุอันนั้นเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระธรรมข้อนี้เกี่ยวกับโยมเมืม่อโมยโมหมดศรัทธาแล้วพระจะอยู่อย่างไรทั้งพระดีพระชั่วก็ลำบากไปตามกันแต่พอท่านพูดถึงความตั้งอยู่แห่งพระศาสนาท่านกลับพูดถึงทั้งนักบวชและชาวบ้านในประวัติศาสตร์ แห่งการสังกยนาห้าครั้งที่ผ่านมานั้นนะอำนาจรัฐจะต้องมาคอยค้าจนทุกครั้งขาดไม่ได้เพราะว่าพระเนี่ยไม่ได้มีอำนาจปราบปามด้วยเหตุอย่างนี้คนอย่างพระเจ้าอาโศกเกยดเกิดขึ้นจับพระศึกเป็นหมืนม่นๆเพื่อความบริสุทธิ์งดงามของพระศาสนาคนที่เข้ามาบวชก็คือคนมาจากรัฐเมื่อไม่ดีไม่งามสงจะต้อง เมื่อสองตัดสินแล้วว่าไม่ดีไม่ ง, งามยกออกแต่พวกแล้วเป็นผู้พ่ายแพ้ม่ทําวินยัยอย่างต้องอบดัลสังคา巴拉ชิกอย่างนี้อบัตดัล巴拉ชิกอย่างนี้ราชิกโกโฮดิสังวาโซเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วไม่มีสังวาจุกับใครไอ้ก็ไม่ยอมสึกเนี่ยก็ทําไม่ได้พระท่านจะมีอํานาจอะไรไปจับตึกท่านบอกว่าล้มละลายแล้วกันแล้วเลย ที่นี่รัฐบาลต้องเอาคนของรัฐออกไปจากพระศาสนาไวๆอย่าปล่อยให้ใหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ดาแช่งปรปจานทานดาวเทียมออกทั่วโลกทำให้แผลเล็กๆเนี่ยอากเสบเป็นบาด ท, ทยักเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนจนตายไปในที่สุดมันตายไวกว่าที่เป็นจริงต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายชั่วช่างชีดีช่างสงไม่ได้อีกแล้วหลายคนห่มแห้งปองหลายผ่ายหากีแลนด์ ต๊กผีพายให้พำพอมเมื่อหน่อยสีแลนดีสินปะจ้าจอย่า ม, มัม่วเมาดนคนเดียวบ่มีหมูล่งเถ้อไปพอเสเฝ้าคอองหายสิลงห่องสะดุดตายสินปะรวมความแล้วิกิตการทั้งหมดนเกิดมาจากวิกิตการของศาสนาซึ่งเป็นความจริงที่ต้องยอมรับกันและก็ร่วมกันแก้ไขทั้งเจ้าหน้าที่ของศาสนาและเจ้าหนา้าที่บ้านเมือง โดยเฉพพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจําชาติไทยของเรานั้นบัด น, นี้สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาของเราไม่น่าไว้วางใจได้ข่าวคร า, าวของพระเจ้าและรงในทางที่ไม่ดีไม่งามทีขึ้นการแตกแยกมีมากขึ้นประกอบกับยุคนี้เป็นยุค ท, ท, ที่ที่เขาเรียกภาษาสมัยใหม่นักสังคมวิทยาต่างๆเขาเรียกยุคนี้เป็นยุค Information ้อแปล ว, ว ข, ข่าวสารข้อมูลอะไรนิดอะไรหน่อยข่าวสารแพร่สะพัดรวดเร็วทำให้ภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยไม่ดีไม่งามแพร่กระจายออกโซมวลชนทั้งภายในภายนอกประเทศอย่างรวดเร็วช่วยให้คนที่ไม่เข้าใจก็เขวไปทำให้คนที่ไม่มีศรัทธาก็ยิ่งไม่ศรัทธาคนที่กำลังจะมีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็หมดศรัทธาเข้าทำนองว่า เงื่อซีลมแหงเหยียบแค้มเงื่อสิแหงแซมแหงแห่งโยมไทยวะเงือซีลมแหงเหยียบแค้มเงื่อแห่งแซมแห่งโยม่ายยิ่งซ้ําเติมลงไปทางที่ดีมาช่วยกันแก้ไขและก็ป้องกันจะไม่ดีกว่าเลยสถานการณ์ของพุทธศาสนาในบ้านเราเมืองเราขนาดนี้ยังพอแก้ไขกันได้ยังไม่เลวร้ายไปกว่าสมัยพศสองร้อยกว่าปีในอินเดีย ไมันั้นเนี่ยเลวยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ผู้ดีงามกับพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าอาโศกมหาบาทแล้วก็พระโมคคัลีบุตรติศรไเฮระเนี่ยท่านก็ช่วยกันแก้คัะท่านเดีช่วยกันแก้ไขรักษาพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ที่นี้เรานี่จะรักษากันต่อไปให้หลวงไฮหลานของเราจะไม่ได้หรือปัญหาทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันสั่นคลอนสถาบันมหาชน คนสมัยใหม่จะหันหลังให้นั้นมันมีสาเหตุมาจากทางฝ่ายพระสงฆ์ของเราบางรูปบางองค์เท่านั้นที่ทําไม่ดีความไม่ดีเหล่านั้นเกิดมาจากสาเหตุเรื่องเงินกับเรื่องผู้หญิงสองอันเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นถ้าแก้ปัญหาสองอันนี้ได้มันสบายแต่แก้ต้นตอมันง่ายที่สุดก็คือย้อนคืนไปสู่อดีต ทำตัวแบบสมัยพุทธกาลไม่ต้องเอาเนเงินเงินทองทองไม่ต้องเอาไม่ต้องให้ใครมาเก็บไว้ให้ไมาต่องตั่งตูบริจงริจากดูกันไปวินสาบเอาข้าวมากินเนี่ยต่พืชปฏิบัติทำหนั่งสมาธิเผาพันนายเดินจงกรมชาวบ้านเอาเห็นคุณค่าของพระสงฆ์เจ้าเอานิมนต์ไปเทศไปสร่งรถมารับไปไกลแค่ไหนก็ไปได้แต่ในนี้เขาเห็นพระมีเงินเยอะอยู่เขาก็เลยเก็บค่ารถขึ้นราคาหรือเห็นพระมีรถหลายหลายคัน ถ้าหากพระเราย้อนหลังแบบสมัยพุทธกาลแน่นอนเพรัสบานไทยนี้แหละเขาจะออกกฎหมายมากไม่ให้เก็บเงินเก็บทองพระน้ํ า, าปลาป า, ปาไฟฟ้าเขาจะต้องออกแต่ที้เคยเห็นวัดนี่มีเงินมาก เ, เงินหนึ่งในจํานวนสามรายได้ของชาติของประเทศมันนอนจมอยู่ในวัดเขาว่าอย่างนั้นนะวัดไหนก็าตามใจเธอเรื่องผู้หญิงก็เหมือนกันเอาตามพุทธเจ้าวานนะอนั้นจะไปมีเลยคนที่มาพูก การอุปธรรมอุปทางโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันมินมแม่เลยเกินนูน่นเขาไปนั่งคุยกันอยู่สองต่อสองอยู่ในห้องโอ้ยหนักก็ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้สองอันนี้ถามก่อนหมดยังไงยังไง ก, ก็ตามสองอันเท่าเนี่ยไม่มีอย่างอื่นตั้งแตนน่นี้แต่ไรมาแล้วก็จะเป็นต่อๆไปถ้าเราจะแก้ก็ต้องแก่จุดนี้ก่อนอื่นเป็นจุดเน้นมีโอกาสแก้ได้เท่ากันทั้ ง, ท, งทั้งชาวบ้านและชาววัดมาช่วยกัน ในนี่แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอย่างนี้ซ้สำรากและก็ทีขึ้นเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าระบบของสังคมยุคเทคโนโลยีความล้องไหลทางวัตถุวัฒนธรรมฝลั่งเข้ามามีอิทธิพลครอบงำจิตใจมากจนเกือบจะพูดได้ว่าบูชาเงินตราเป็นพระเจ้าเอาเลยเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็จะเกิดอาการเมาวัตถุกันขึ้นทาอะไรอะไรก็เผื่อวัตถุทางเงินทางทองเท่านั้นความรู้สึกสานึกทางวัตถุนั้นมันเห็นแก่ตัว ความรับผิดชอบจะน้อยลงและก็สั้นลงน้อยลงเพียงเพื่อเราได้สั้นลงเพียงเพื่อวันนี้ขอให้ได้ไกลออกไปเพื่อชาตินี้ซึ่งมันผิดกันกันกบสมัยโบราณเมื่อ ย, ยังไม่เจริญเจริญ ม, มีธรรมะรับผิดชอบกว้างยาวไกลอาตมาใช้คาว่าทั้งกว้างทั้งยาวทั้งไกลนะก็ลไปจนถึงรูง่นถึงชาติหน้าคนโบราณ เขามีสวรรค์นในอุดมคติเข้ารอได้คอยได้เพรนั้นชาตินี้ยากจนเขาก็ย้อนหลังก็ผิดชอบถึงชาติก่อนบาปกรรมที่เรามีซะทั้งหลายเป็นไปตามกรรมชาตินี้ทําความดีไม่ได้รับผลก็ตามเพราะรอคอยว่าอุดมคติในชาติหนาในสวรรค์ยังมีนี่เขารับผิดชอบยาวไปแต่เดือนนี้มันสั้นแคบจะเอาเดือนนี้จะเอาวันนี้ถ้าทําบุญวันนี้ก็หวังถูกเลขถูกไว้ในวันนี้ในงวดนี้ ถ้าทำเรื่องไม่ถูกก่ น, น้อยใจไม่ต่อไปอีกวัดนี้ไปวัดอื่นอย่างนี้วัดไหนบอกเลยบอกหวยลังไลกันไปไปทําบุญถ้าซื้อไม่ถูกก็ไปสะดอกเคราะไปรถน้ํามนต์ตัดกำตัดเวนไปเสริมสเสนเสริมมงคลเหตุผลเหล่านี้มันเป็นข้อกําหนดของวัตถุทั้งนั้นแล้วก็ยังเป็นข้อกําหนดถึงการบวชและการทําบุญของชาวบ้านส่วนใหญ่เกือบทั่วทั่วไปแล้ว การเกี่ยวข้องกันระหว่างนักบวชและชาวบ้านก็เกี่ยวข้องกันเพียงแค่วัตถุและก็พิธีกรรเท่านั้นจะยังลึกลงไปสู่สารัะแห่งศ า, าสนาน้อยเข้าทุกทีทุกทีเรื่องใจเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสมาธิภาวนาย อ, นนอย่างนี้ยังน้อยมากมันติดอยู่เพียงแค่วัตถุจะเอาบุญเอาทางอันนีมน่มลผ้าป้าย พ, พ, พ, พังฟังผ้าสวดผาษาบาลีนีมน่มลสวดพอเป็นพิธีเด้อเขาน้อยแล้วก็ถวายเงินถวายของใส่ซองเปิดอาลาร์ด แยกย้ยกันไปจะมีอะไรอันนี้มันสูญเสียที่สุดเลยเพราะนั้นเหลี่งสินสมาธิเหลี่งปัญญาสมาธิภาวนานี่น้อยมากด้วยเหตุนี้ทั้งนักบวชและชาวบ้านก่อบูชาวัตถุพอๆกันจึงเกิดอาการไม่สมดุลกันระหว่างผู้รับคือนักบวชและผู้ให้คือชาวบ้าน ผููให้อาศัยศรัท ธ, ธาอันเป็นมรดกทางวิญญาณเสดบจทอดมาจากบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งเชื่อว่าบาปมีบุญมีนาทุกมีสวรรค์มีชาตินิชาหนา้ามีแต่พ่อแต่แม่ชาตินี้เรามีอยู่มีกินมีรถติดแอรมีเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขอย่างนี้ก็ยังดีขนาดนี้ถ้าบนสวรรค์มีจริงเหมือนพ่อแม่เล่าเอาไว้จะขนาดไหนก็คงยิ่งกว่านี้ตามความเชื่อที่เราหารเสด็กันมายิ่งพันเอกเสน าไอคืนมาเล่าให้ฟังเองก็ยิ่งพอใจที่จะทำบุญไว้มากๆโห้โยจะได้ไฟสวรรค์สุกกว่านี้มีกามารมเป็นที่กว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่านี่ฝ่ายผู้ให้เป็นอย่างนี้ก็ลเลยมุ่งจะทำบุญอน้จึงทำบุญมากขึ้นเพราะบูชาวัตถุ น, นั่นเองแต่ในขณะเดียวกันพวกหัวใหม่รุ่นให ม, ม่จะเอาเดี๋ยวนี้ไม่ทานันเป็นอย่างนั้นมันก็นเลยกาลังจะเกิดช่องว่างแยกกันตรงนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เชื่อเกิดเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาผููถูกใจเขียนเช็คถาวายมอบใหน้นายกำให้เป็นล้านๆสิกล้านอย่างนี้ที่นี่ส่วนคนหนุ่มคนสาวที่ถูกสวมทับโดยวัฒนธรรมใหม่กับจะต้องเอาสวรรค์เด่วนี้ไม่ต้องรับผิดชอบไปถึงนู่นอันนี้มันมันเป็นช่องว่างกันมันผิดหรือมันถูกทั้งคู่ทั้งหลายทั้งหลายก็ลองคิดดูทีนี้ฝ่ายผู้ให้มันเป็นอย่างนี้ ฝ่ายผู้รับคือนักบวชนักบวชทั้งหมดก็ออกมาจากชาวบ้านสาเหตุที่ออกบวชนี้ก็ต้องมองกันให้ดีเมื่อโลกจเจริญด้วยวัตถุรูปเสียงตินรสสัมผัสและอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของตามมารมณ์คนร่ำรวยด้วยสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งมีความปรารถนายิ่งขึ้นพอใจที่จะทำบุญมากขึ้นเพื่อกามมารมณ์อันปรทิบเรียกว่าเมาบุญกันเลย คนร่ำรวยมีเงินทองข้าวของอำนาจโอกาสในสังคมเหล่านี้ไม่มีใครดอกจกอยากบวชบวชก็บวชเจ็วดวันบางสิบห้าวันบางเดือนหนึ่งสามเดือนรีบศึกบางทีลูกเข้าไปบวชลูกได้ศึกษาธรรมะกลับไปเจอครูบาอาจารย์ดีๆเออทราบซึ่งไม่อยากศึกพ่อแม่เป็นทุกข์เหมือนตกนระกทั้งเป็นอ้อนวอนให้ลูกศึกไม่ศึกใน า, าก็ด่าเลยทีนี้ซึ่งมันผิดกับโบราณเขามีความดีใจสุดแกจหาลูก บ, บวช แต่นี่พวกคนรวยเป็นทุกขลูกบวชไม่อยากเซพวกคนจนเป็นทุกข์ูกลู ก, ลกดูดสินดมกาวโศกกัญชากินเหล้าอยากจะให้ลูกบวชมันมันโกผันไม่จีตการแบบนี้ลูกเหล่าคนยากคนจนกําลังติด ง, ง, งอมแงมกับยาเสพติดอบาบัยขมุกลูกคนรวยบางคนมาบวชไม่อยากเซพบความสุขอันไม่ต้องซื้อด้วยเงินไม่มีมายาจอมปลอมเหมือนความํารวยของเรา แต่พ่อแม่กลับจะตกนะรก <c oughs> พ่อแม่เป็นทุกข์เป็นร้อนรูบวดไม่เสร็จอัดมาเคยไปแสดงธรรมที่กรุงเทพแล้วคนรุ่นใหม่จบปริญญามาฟังฟังแล้วมาสนทนากลางคืนได้อบรมเขาเ ข, ข้าเหล่านั้นไม่อยากศึกพ่อแม่เอาแล้วแห้มาเวียนมาพ่อหาทำยังไงลูกฉันไม่อยากศึกอยากจะให้ไปทําบุญอยากจะให้ไปทํางานซะก่อนอะไรอย่างเนี้เอาแล้วเจนี่เราผ่านไป แต่ส่วนมากนั้นไม่อยากจะบบวชการบวชนั้งเดือนสามเดือนสิบสี่สิบห้าวันเจ็ดวันแล้วก็รีบศึกไปทำบุญไปสะสมการมมารมเมื่อนกลัวมันจะหมดจากสิ่งยกเว้นว่าบางคนที่ร่ำรวยมาบวชเล่นๆแล้วก็กลับสถามมากขึ้นดังกล่าวมาแล้วเมื่อได้ริมรถแห่งความสุขอันเกิดจากความสงบแห่งจิตใจก็ไม่ยอมสึกเลยแต่พ่อแม่ก็เป็นทุกข์อีกหละทีเนี้ย ท่านเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่ามีบุญมากมีบุญญากตาที่การมาก่อนได้สังสมเอาไว้เหมือนตักน้ําใส่ตุ่มเกือบจะเต็มแล้วพอมาตากเพิ่มอีกหาบสองหาบมันก็เต็มพวกนี้มีบุญมาก่อนตั้งแต่ชาติก่อนปวยชาตะปัจโยประชาชาตะปัจโยสังสมการบวชในคำพระม า, มาสร้างพรมจันดีงามเกิดมาชาตินี้เป็นลูกเศรษฐียังได้ข่าวว่าลูกของอภัสราของตระกูลมาบวชอย่างนี้อาตมาได้ยินดูนะ แต่จริงแค่ยังไงไม่ทราบแล้วไม่อยากสึกอย่างนี้อย่างนี้คือเรียกว่าเขามีปุณวาดสนากระตาทิการได้สังสมมาเหมือนคนตักน้ําใส่ตุ่มจนจะเต็มแล้วก็เลิกมาตักใส่ใหม่อีกทีนี้นิดเดียวมันก็เต็มฉัน้นใดก็ฉันนั้นแต่ส่วนมากแล้วคนรวยพอใจในการให้ทานมากกว่าคนรวยพอใจในการบวชนั้นมีน้อยพอใจในการบวชเป็นนานๆ น, นั้นมีน้อยที่นี่คนบวชนานๆ ที่รับทานของคนเอื่นนั้นส่วนมากเป็นคนยากจนทางวัตถุมีความรู้ล้าหลังมีโอกาสในทางการศึกษาและเศรษฐกิจในทางสังคมน้อยมากการบวชของคนเคยยากเคยจนมาเจอระบบทําบุญด้วยปัจจัยอันปรายนีย่ข้าวข้องเงินทองลาบส ก, กุลละของคนร่ํารวยผู้ปรารถนาสวรรค์แต่ไม่ปรารถนาจะออกจากการมารลอมมอบถวายให้ยกห้อยเก่าเท้าใส่หัว จิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนการปล่อยวางก็เกิดตำหนักในลาบสักระมากขึ้นยิ่งมีมากยิ่งถือตัวว่าเป็นผัวมีบุญมีบารมีมีหน้ามีตามีความรู้สึกแบบชาวบ้านเพิ่มขึ้นมีเงินมากเต็มความรู้สึกแบบชาวบ้านก็ค่อยๆเปลี่ยนนิสัยนักบวชเกิดขึ้นมีเงินแล้วก็อยากซื้อวัตถุให้ทันสมัยมีรถยนต์ทันสมัยมีบ้านมีช่องลังใหญ่ๆวัดว่าอารามใหญ่ๆอวดนักบวชอื่น พอถึงตรงนี้นึเป็นกุฏิเจ้าของเราท่านพทธพระมีเงินมีทองเยอะๆมีลาภสัจฉริยะเยอะๆอวดบรารมีกันท่านเปรียบเหมือนตัวกลางสละกับภาษาบาลีว่าตัวกลางสละกับภาษาภาคอีสานว่าจุดจี๋ๆว่าท่าน ไ, ได้ได้กองอุจฉริยะใหญ่อยู่ต่อนหน้ายังมีอีกสองสามกองห่วงภาคภูมิใจว่าเรามียังยังมองไปดูกองอื่นกลัวตัวกลางสลกักะตัวอื่นจะมีมากกว่า <c oughs> ที่แบบนี้พระพุทธเจา้าพูดนั้นไม่ได้ว่าเลี่ยน ความรู้สึกแบบชาวบ้านมันเกิดขึ้นละมีเงินแล้วอยากซื้อวัตถุให้ท่านจะไม่มีรถจนบ้านช่องวัดว า, ารามใหญ่โตอวดนักวดด้วยกันเหมือนกันแล้วก็อวดชาวบ้านด้วยว่ามี่เป็นความสำเร็จของการบวชเป็นผูมีบุญหลายมีบารมีหลายมีรถหลายหลายคันแต่ทีนี้มันก็เลยอยู่ที่วัตถุความป่าธนาทางวัตถุได้ขยายมากขึ้น ทำอย่างไรจะได้มากๆจากเศรษฐีใจบุญจากนายทุนหน้าเลือดตอนนี้ก็เลยเล่นบทคันจรันทร์ฟอร์เมชันก็อาภัยคู่ภาษาฝรั่งใหม่แปลว่าแปลรูปทางวัฒนธรรมหายเปได้เงินมากๆจากเศรษฐีใจบุญนายทุนหน้าเลือดก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้า ม, มาแปลรูปใหม่มาเปลี่ยนแปลงใหม่เรว่างคันจรันทร์ฟอร์เมชันแปลรูปทางวัฒนธรรม เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดัดแปลงเพื่อราบสั ก, กัลละวางมัดสาสนาเป็นนักพจผู้ทรงศิลดน้ำมนต์ผล น, น้ำมันสั ก, กมอมม่ำใสกบ้านสะดอกข้อผูกลวงเสริมเสนเนเสริมมงคลตัดกำตัดเวททัวสวรรค์ทัวนิพพานปกเลบบอกหวยเป็นหมอยาเปิดคลินิกรักษาสารพัดโรคเอาสารพัดที่จะได้เจ็บไข้ปวดหัวมาเอาฟันไม่ดีมาเอาแตงแก่เสี้ยวสะดอกเอาวาเข้าไป มหาชนผู้ไม่รู้เชื่อในความเป็นพระอยู่แล้วก็เลยหลงไหลแจกเหรียนมันชาเกินไปต้องสติ๊กเกอร์ไปปั๊บปั๊มออกมาทีละเป็นแสนแส น, นละละ้านอย่างนีนน้แจกเหรียนมันชา้ามันถืออย่างท้องตรงท้อ ง, องแดงเอาสติ๊กเกอร์เลยเดียวกว่าไปติดอย่างนี้รวดเร็วพอมาถึงตรงนี้ไม่รู้จะไปทางไหนสําหรับมหาชน เพราะท่านมีเงินแล้วท่านก็นใช้เงินของท่านซื้อเอาสวรรค์ดิบๆตามใจท่านป่าธนาสีกงสีกาแห่แห่แนกันเป็นฟูงเดี๋ยวก่คท้องเดียวกว็ขอดววปัญหามันก็เกิดขึ้นมาเพราะบูชาวัตถุความเสื่อมของจิตใจอยู่ที่ความหลงไหลทางวัตถุจะจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าเรื่องอะไรเพ่งไปทางวัตถุเก่งกําไรเหมือนการค้าจะได้กําไรเท่าไรลงทุนไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ย พระเราก็ยิ่งโฮมกับเพือโฆษณาคนสมัยนี้จะทําบุญมากขึ้นพระจะเลวลงเพราะลาบสกะละเมื่อถึงจุดที่พระเสรอมมากเพราะลาบสักะละและกระพููยิ่งคือเงินกับผู้ยิ่งเมื่อนั้นการทําบุญให้ทานก็จะลดทวบภาพลงหลักธรรมระดับสูงคือโลกอุตสาธรรมก็จะปรากฏให้มาเป็นบทบาทขึ้น ระคระดับสูงอย่างพวกโลกอุตะละธรรมเนี่ยื้อโลกการปล่อยวางว่างอิสระจะถูกปุกเร้ากันอีกอย่างหนั่เพื่อระดมพลังแห่งธรรมจากพระสง์ผู้รักธรรมและก็จะถูกขาน ร, รับจากปัญญาชนหลายเชื่อสันคณีว่าเมื่อเมือม่อลาบสักรระเจริญมากขึ้นโมวตลหลอกแต่ลวงกันในวันหนึ่งก็พลาดลาบตักะละเหล่านั้นเอาไปเป็นเครื่องมือ ไปหาสีกองสีกาไปทำาลาดทางพระวินัยค้นเสื่อมอย่างยิ่งใหญ่แล้วการให้ทางก็จะลดควบห้าลงที่นี่ก็จะมีพระสององค์เจ้าที่สอนธรรมจริงๆโลกุตตะลธรรมนี่ก็เริ่มโดดเด่นขึ้นหมาปัญญาชนมองเห็นก่อนหลังไหลกันไปที่นี่มันก็เกิดอาการเอกอันหนึง่งการทำบุญจะถูกเลือกสรรขึ้นจะรู้จักว่าเลือกผู้รับทางไปทางมาสะดวกสบายวัดอยู่ข้างๆไม่เอาไปไกล ในพวกปัญญาชนพวกโง่ชนก็ไปไกลๆแบบโง่ชนเอกเหมือนกันทีนี้ก็จะถูกการเลือกสรรผู้รับมากขึ้นการศึกษาธรรมะแบบติดตาภาพเก่งของต้นไม้เรียนรัตสุโลกุตตะธรรมจากปัญญาชนจะมากขึ้นคืออยู่จะม่วนโปกโยบเป็นเบีย้ยเป็นเม็ดมันชาก็เลยติดตาภาพเก่งจะมาเรียน สิโยอังโยนาหิสนางสมะหิสมิงสูภาธยาบุกอนซ่องพระเสขบูตองศึกษาอนุสาแต่ยังในไสสีกรณียกิจเสียทับสัตถะทีมังโลกังโอ้ยมันชามันชาเราจะไล่นันกคาตีโทเอกบาลีไปทุกคนโดดเลยอ่านหนังสือพระไตปีดกที่เขียนมาจากคูบาอาจารย์บางแบบติดตาภาพกิ่งนี่ปัญญาชนจะติดตาภาพกิ่งแบบโลกุตตลธรรมเรียนรัดนี่มากขึ้น หลังจากนั้นโดยอาศัยตำราและแห่งคําตอบจากกลุ่มจากคณะของนักบวชซึ่งก็มีจุดเน้นแตกต่างกันไปถูกใจสำนักไหนก็ไปสำนักนั้นเชิดชูบูชาสำนักนั้นนี่เป็นอย่างเนี้ยความสับสนก็จะเริ่มมีมากขึ้นทีนี้สับสนไม่ใช่สับสนทางศิลธรรมแล้วนะจะสับสนทางโลกุตตรธรรมสัตว์ธรรมปฏิรูประดับโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นตรงนี้น่าเป็นพ่วง การปฏิบัติธรรมก็จะมีมูมีคณะเป็นกลุ่มเป็นพวกขึ้นแต่ทำปฏิรูประดับโลกอุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเออการขัดแยง้งการต่อสู้ทางทิศฐิจะมากขึ้นเป็นพวกของใครพวกของมันสุดท้ายก้นหนีไม่พ้นทางวัตถุไม่ว่าพวกใครพวกมันพวกไหนมีพวกมากชื่อเสียงโด่งดังขึ้นลาบสตละเสียงเยินยองเงินคํากรรมแค่ก็ล่างไหลไปหา เมื่อมีเงินมีทองมากก็ม่หมูมีคันเฒ่าคุ้ยไปกันทีละสองร้อยสามร้อยคันลดบาทเป็นพันคันนะนี่สุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นทางวัตถุอีกตามเคยในที่สุดต่างก็ต้องการวัตถุเป็นเครื่องวัดถึงความเด่นดังยุคใหม่ทางโลกุกตละธรรมสำนักปฏิบัติแข่งแข็งคืมคืมอันนี้ปฏิบัติแท้ถูกต้องอลังไล่กันไปในที่สุดมันก็ไม่พ้นทางลาบสักร ะ, ะเสียงเยินจอวัตถุอีกตามเคย ตางก็บูชาวัตถุกันอีกแล้วเพื่อได้มาเป็นปัจจัยเป็นเครื่องมือเป็นทุนทรัพย์ในการเผยแพร่ลัทธิของตนเองพร้อมกันนั้นเทคนิคแนวทางในการปฏิบัติของใครของมันก็เกิดขึ้นอย่างเป็นสายนั่นสายนี้จนเกือบลืมสายของพระพุทธเจ้าเทคนิคใหม่ๆเทคนิคเฟอ้อของวิปัสสนากรรมฐ า, านก็จะเกิดขึ้นดาดเดินแปลรูปกันออกไปจนเปืไม่รู้เอามาจากไหนมีมาก ไปสิบสำนักมีแบบสิบอย่างในการปฏิบัตินี่นี่ก็จะเปล่าไปนักปวดจะน้อยลงวัดจะร้างมากขึ้นคว า, ามศรัทธาในศาสนาจะน้อยลงเพราะพระสงค์จะย่ำแย่เมื่อตอนแรกคนพอใจทำบุญมากเพราะปราชญนะสวรรค์ในอุดมคติแต่พระผู้รับทานจะเอาเดี๋นี้ไปกินดิบๆไปซื้อเอาสวรรค์ในปัจจุบันซื้อรถซื้ อ, อซื้อลูกซื้อเมียศรัทธาคนก็จะเสื่อมลงจนในที่สุด พวกนักปฏิบัติก็โพอขึ้นมามีบทบาทขึ้นโดดเด่นขึ้นการศึกษาแบบติดตาท่าจริงจากปัญญาชนก็นลุกคือขึ้นค้านรับในที่สุดก็แยกกันเป็นกลุ่มเป็นกกเป็นเส่นเป็นฝ้ายเป็นหมูเป็นคันหน้าขื่นยกตนคมท่านหลาบสะกร้ำ ม, มากขึ้นในที่สุดก็ลงเอ่ยอีกแบบเดียวซุดลงเอกภาคสองหนึ่เกือบจะถูกนอกแล้วทีนี้ในที่สุดมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนเหลือแต่โคตะระภูสง สงในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการยังอยู่และการสิ้นไปของธรรมวิเนัยของศรราสนาในวิจิตรการมันจะเป็นอย่างนี้ตามพระธรรมโคตละภูสงเนี่แปลว่าสงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ใช่เรื่องเพอ้อพกนะฮะแต่จะต้องเกิดมีที่คนโบราณพูดว่าเลือเพียงผ่านเรื้งน้อยน้อ ย, อยห้อยบ่าห้อยหูสมมุติว่าเป็นพระเป็นสงทุกวันนี้ก็เริ่มเดินใกล้เข้าโซ่ความเป็นอย่างนี้ทุกขวัญแหลกใ้เข้ามาใ้เข้ามา ดังคนโบราณสองฝ่าฝั่งแม่น้ํำคงไทยลาวของเราเนี่ยเส่งมีวัฒนธรรมและบรรพบุรุษอันเดียวกันได้เขียนไว้ในหนังสือโภบายล้านอักษรลาวหรือที่เรียกว่าตัวธรรมหนังสือตัวธรรมหรือไทยน้อยมีชื่อว่าลำพื้นเมืองหนังสือลำพื้นเมืองเนี่ยพันละนาเรื่องราวความเป็นมาของพุทธศาสนาในอดีตและความเป็นไปในอนาคตมีตอนหนึ่งที่เล่าอ่อยวา่าเมื่อพุทธศาสนาผ่านเข้าพันที่สาม ตอนค่อนไปแล้วก็จะเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างนักบวชและชาวบ้านผู้ให้ทานและผู้รับทานเช่นถ้อยคำพละนาไว้ว่าศาสนาพระพุทธเจา้าองค์ประเสริฐสัพพัญโญล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันยุทธ์เทิงฝ า, าศาสนาหลวงเขาสองพันปีปลายเศษ สงอยู่ห่องผูเห็นแจงหยอดทาหากสิยังเหลือหน่อยในคลองปุดโพวาดส่วนหลายไล่า ล, า, ลาถิ่มคองสงฟ้าปล่อยวิ่หใทถือเอาสั่งแส่หน่อยพ่อเดหูหอมล่วงคนทั้งหลายก็สิาพาดิจ้าพ่อใจส่่งสมผ่านเฮืองหงฟูหมู่สังขาเจ้าสินเสาเสื่อมลง แต่ยังท่องเพศเพียงเพียงผ่าพ่อนเลืองเลืง้งส่วนสีขาวิ่งสีขาไปเรื่องเลือยอยังบทเต็มตามขอคือพระองค์ยังอยู่พวาวพิคูประหลาดแทงหาเหล่นเที่ยวบยัวไอบางองค์เอาซ้ายสอยเงื่อนค่าออกหาจ่ายสี่มีแล้วหมายความว่ามีเงินมากแล้วก็จะจ่ายเงินเอาดอกเบีย้ยหรือไมิฉะนั้นก็ลงทุนเข้าหุ้นกระไยอะไรบางอย่างเนี่ยแต่คนโบราณท่านจะกว่า บางองค์เอาซ้ายสอยเงื่อนขํามออกหาจ่ายมีแล้วมนันนักพิษเห็ดแฉข้ามพเจ้าสังสรรคบางองค์เหล่นการพนันขั้นตอตัวหลอกหลอกให้โยมเหล่นเติม น, น้าอันนี้ก็ปรากฏแล้วเหล่นมวยตอกมวยตู่ในโทรทัศน์ซื้อเหลขซื้อหวยเองบอกให้คนอื่นซื้อด้วยเพ้อเพไปเป็นเจ้ามือร่วมกับเขาด้วยเยาด้วยอย่างนี้ จึงบอกว่าบางองค์เหลนการพนันขั้นต่อตัวหลอกหลอก่อให้งอมเหลนเติมน้าบางองค์เป็นหมอ้อแก่กันพี่ครับไล่บางองค์เป็นหมอ้อยาและแตงแก่ไปแทะฟูอันบางองค์เขาข้าเ ม, ยมียย่ำคำฆ่าเขานักกินแถรดังขันโยม <Yeah. S 1> ขั้นวาสนาหลวงเขาขอนเขะพันธีสามกว่างอัปปีเป็นต่อไปเรื่องเลยหมากน้าเต้าหน้อยหน่วยแหงแน่วมันอยู่บนบกครับเกิดเป็นคลองนักซี่จุมจ่มจมลงพื้นว่าัน ศิลากรดอาดานหินนัดหมืน่นกับสิลอยลองหนามผู้เขินจังสันโนโ่โพสีสอยสิเป็ิโนยหักยองให้ศิจับจองขึ้นแถมสอนปงใบีหมายมข่าว่ากาฝากศาสนาศรธรรมปฏิรูปธรรมะปอบจะเกิดขึ้นมาจริงจอกสิได้เขินนัน่งเตียงค่ำคุ้มโยธาภัยพ่นทางขายโฮงคําผายเวาเหาเขินเมฆศิมนบหน่อหวัิเป็นแหล่งให้แกกาอันนี้เป็นปัญหาเจา้าจอมถ้ำพุทธบาส พระหาไขวาดไหวให้ห่วผู้หำเพิ่งไา่ในพันตีซ้ำหนิหากจะมีเป็นแม่หากจะเป็นเทียงแ่พันหนิในนน์อาจะมีไปหนาเป็นปัญหาสำคัญมากไพหากซ่อมจอบสิ่งที่เห็นแจงหากหินต้องค้องไปดูไพ่หนาหินสิจมือเก่าหมากนำเต๋อสิผู้ขข้นดังหลัง ศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสะพานนูล่างเถอาบกล่างเถิดเต็มดังผจญอยู่ท่องฝ่าขออภัยเสียงในฟิลยาวไปหน่อยตอนช่วงหลังๆในตำลาเนี่ยบอกว่าหินจะจมน้ำเต้าจะลอยขึ้นอีกทำให้รู้สึกว่าพุทธศาสนาจะต้องกลับฟืน้นคืนมารุ่งเรืองในจิตใจของคนเราอีกครั้งด้วยความภาคเพียรพยายามของผู้รักศิลป์รักธรรม รักความถูกต้องช่วยกันขจัดปัดเป่าเหตุร้ายกลายเป็นดีวิจิตการนี้ก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ด้วยเหตุปัจจัยอันถูกต้องหลังจากนั้นจะเสื่อมอีกอย่างยิ่งใหญ่หญรุนแรงเหมือนนักมวยถูกนกฮามลงเปลเลยที่นี่แต่ก่อนนั้นยกหนึ่งยกสองทำท่าเก็บคะแนานทําท่าจะถูกนกปีตื้นขึ้นมาจากนี้ยอีตรงนี้ถูกนกเลยถ้าเสื่อมอีกที่นี่จะถูกนกนะ จะโขกนอกผ้พาพระสององค์จักจะเลวลงจะเละลงจนต้องมีลกูกมีเมียทำมาหากินเองมีผ้าเหลืองๆพอเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายให้รู้ว่าฉันเป็นพระนะจ๊ะอะไรทํานองเนี่ยให้คนรู้ว่าฉันเป็นพระนะอยากได้บุญมาทําทานที่นี่นะจ๊ะอะไรทํานองเนี่ยผู้หวังบุญทั้งหลายไม่มีทางเลือ ก, กจําใจทําบุญกับพวกโคตะภูสงเหล่านี้ มหาชนเหล่านั้นก็ยังเถือว่าได้บุญอย่างหาประมาณไม่ได้เพราะให้ด้ยวยความบริสุทธิ์ใจไม่หมดมองเรียกว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับผู้ให้จะไปสู่สวรรค์ผู้รับจะไปตกนระลกล้มไหนกช่างทันเถิดที่พูดมานี้มีใช่หดือไี่ ไม่ใช่เดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งตื่นตกอกตกใจหวาดกลัวไปเลยที่หนองทังหลายเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีพระสงฆ์ที่องค์เจ้าที่ดีดีดงามๆของเรายังมีอีกอยู่มากเยอะอยากได้กุศลเลือกเลือกเอาอยากได้บุญไม่ต้องเลือกเพียงแต่ทานด้วยความสบายใจกับองค์ไหนก็ได้บุญก็จะส่งทันไปจนถึงสวรรค์ชั้นไหนก็ตามใจเธอะมีกา伽马ลมมากๆเรียวฟูนอับปิสเซ็กแอนด์เซ็ก ขออภัยคือสวรรค์นั้นจะได้มาด้วยบุญความสบายอกสบายใจที่ทาแล้วสวรรค์นั้นเป็นที่รุดมแห่งการ ม, าลมัลอมันเป็นที่ปรอคอยอย่างเพียบพร้อมส่วนกุศลท่านจะต้องเลือกกุศลจะทรงท่านไปจนถึงนิพพานไม่ต้องในอนาคตการเบิองหนาหนุนเทินเอาบนเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่หากท่านมีกุศลมากกุศลคือความฉลาด ท่านมีความฉลาดรู้เท่าทันจิตใจของตนเองทุกเมื่อจนไม่สามารถยึดมัน่นจริงใดให้เกิดทุกข์ไม่แต่สวรรค์ก็เป็นสิ่งที่น่าขยะขยังสำหรับท่านผู้มีกุศลคือความฉลาดโดยสมบูรณ์แบบในทางธรรมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้กุศลสมัยนี้ต้องเลือกจะเลือกกับพระสงองค์จ่าที่ถันมีความรู้ความเข้าใจดีท่านประพฤติปฏิบัติดีงามถ้าอยากได้เพียงบุญไม่ต้องเลือกถือว่าให้ผ่านมือของท่านไปสงที่ไม่ดีไม่งามทานเผื่อ เผือพระ อ, อริยะเจ้าบางทีมันจะถูกถูกตัวจริงเพราะเราไม่รู้จักท่านไม่เด้ติดไปไว้มันหลอกลวงกันได้ดังกล่าวแล้วทุกวันนี้อย่างไรมีอย่างไรพระสองฆ์ดีๆก็ยังมีโจกมากยังไม่ถึงยุคโคตลาภภูสงผ่าเลือกน้อยห้อยหูดอกพอใหญ่ไม่ไงเอ้ยที่มีข่าวเฟียวกาวมีลูกเอยมีเมียเอ้ยขอดแล้วยัยงนูน่นย่างนี่นั่นหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างเป็นรางบอกให้รู้ว่า จะต้องมีแน่ๆตามเหตุตามปัจจัยแห่งยุคสมัยภายใต้กฎแห่งไสรลักษณ์แต่ตอนนี้อย่างรอกอยังพอทูหลูทู ก, กังแกไขกันไปดีบั่งชั่วบั่งแต่เมื่อใดคนดีพระดีน้อยลงหมดกำลังลงเมื่อนั้นแหละโคตรภูสองจะเกิดขึ้นคนทําบุญทําทานก่อ น, น้อยลงเป็นเครื่องวัดพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านั้นจะมากขึ้นพระเลวมากขึ้นคนทาบุญจะน้อยลงเป็นเครื่องวัดกัน คนที่ทำบุญก็จะทำเอาเพียงบุญโดไม่ต้องการกูุสนทำบุญรอพระอริยะเจ้าเพื่อมีชาติหน้าทำไปพางสะก่อนชาตินี้หมดหวังในหนังสือหล่ำเพ้นเมืองตอนท้ายพูดถึงโคตระผูกสงไว้ว่าคนข้าวนั่นเขาโบเสื้อทางสงจั๊บบมี่คนตำท่านดังกาวจามหันนี่อันว่าคนข้าวหนักโบธื้ท่านเป็นไง มีแต่คนบาปไปบะมีใสเสือตันขั้นว่ภัยภูใจใส้เหลื่อมสะพานโยตั่ตงเถียงมีแล้วมีจะท่าแก่กาท่านให้แก่หมสงจึงได้ไปนิมนต์เอาสงเหล่านั้นมีประมาณทั้งสี่ั่งใจอุทิศเอาแต่บุญขังหนาอาริยเจ้าจังคอยท่าน แล้วยังย่อถ ว, วายไห้โคตะละผู้สงกาะหักมีภาล้อานิสง์นับบทท้องถึงใดส่วนบ่ขํามซ้อนอ ง, างาค์พุทโธเจ้าย่มใดกันยังอยู่แต่บ่มีผู้ถือเที่ยงมันพระท่ามเจ้าดังหลังย่งบทศูนย์เสียเสียงไผทําบุญกระไดอ้อยู่บ่มีผู้ถือเทียงมันพระท่ามเจา้ากะเสื่อมไปคนข้าวนั้นประพฤติแต่ค่วมพิษถือมีช้าทิฏฐิทิฏฐิทัวกันทั้งพายพื้น โซ่ผ้ายเพียงเซ็งกันแต่ค่วมสัวผัวกัเมียแต่เพ่ามีแต่เสืยใจยกันแล้วนับแต่พอและหลวงพีกับน้องกันยังเอากันเป็นคู่อยู่กันเป็นผัวและเมียเสิบสางเงื่อนอยาวต่อไปเขาสิเอากันแต่เที่ยมดังเดียรและชานบ่อนคือคอนห้องสีงต่างหลังเลื่องเลื่อยทั้งหมดนั่นคือความเสื่อมทางศิลธรรมจริยธรรมและปกายมาสู่วิกิจการทางวัฒนธรรมทั้งทางนักบวชและชาวบ้าน ถึงตอนนั้นหรือตอนนี้ก็ตามผู้ที่ฝ่ายคุณงามความดีก็ยังสามารถสั่งสมความดีไว้ได้ไม่ว่าเหตุการณ์จะเ็วร้ายรุนแรงแค่ไหนก็ตามผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นั้นๆั้ย่อมมีได้ด้วยความม้ประมาทและด้วยความมีสติปัญญาแม้แต่ในสมัยสงคราม คนยืนได้รับประโยชน์จากสงครามสงครามเกิดขึ้นกว่ายังมีพวกเศรษฐีสงครามเกิดขึ้นจนได้หรือเศรษฐีหลังสงครามจนได้ทำไมจะไม่มีความดีในยุคที่โลกเสื่อมหรือสร้างบา ร, รมีในยามที่โลกมีแต่ความเสื่อมได้เล่ามันย่อสร้างได้ถ้า พ, พู้เจ้าของเราท่านตักับพระอานนท์ที่วิโคโทารามคุนกุงกับบินนัทตอนน่ะ มีอยู่ในหลักฐานอุปริปันธานมัชฌิมานิกายพระไปิฎกเล่มที่14ข้อที่713หน้าที่460มีข้อความตอนนี้ว่าพรวิษณ์ติโคปนานันทอนาขตมัทานังโคตรพุรโนกาส่าวกันท่าตุสุลลาปาปธรรมมาเตสุทิสิเลสุสร้างคังอุทิศทานนางตถาปะหังอนันทะสร้างขะกะตังทัจษีนางอสั้างเคยยังขปมัยังวัามิ นะเตวะวาหัางอนันทะเกณชิปริยาเยนะสั่งคตายทะทคินายะปฏิปุกกะลิขานังมหัผละตะลังวฐามิดูก่อนอานอนในอนาคตจะมีแต่เหล่าพิสุโคตะภูมีภาตาสาวะพันคอเป็นคนผู้สิมีธรรมอัลามกคนทั้งหลายจะววถวายทานได้เฉพาะสงเหล่านั้นดูก่อนอา น, อน ทักษณิณาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงผู้ถูศิลนเลวสามในเวลานั้นท่านใช้ก็บ่าเวลานั้นนะมีแต่ผู้ถูสิ้นเลวสามหาคนดีไม่ได้ภาษาบาลีว่าตะถาปหั่งสังขังอุทิศทานนางตะถาปหังอุทิศแล้วให้สงผู้ที่เลวสามในเวลานั้นทักษินาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงผู้ถูสิ้นเลวสามในเวลานั้น เราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวทักสีนาธานในตัวบุคคลว่ามีผลมากกว่าการให้ทานแก่หมู่สงโดยประการใดๆเลยในยามสงขามก็ยังมีผู้ได้ประโยชน์เป็นเศรษฐีในยามโลกขาดพระสงฆ์ดีๆก็ยังมีโอกาสสร้างบารมีทานโดยการให้แก่สง์เป็นสังฆทานผู้ไป